หัวข้ออัตตากับอนัตตาและอัตตากับนิรัตตาในสุตตานิบาตมีพุทธพจน์หลายแห่งหรัดถึงพระอระหันต์คือผู้บรรลุจุดหมายแห่งชีวิตประเสริฐแล้วหรือท่านผู้ปฏิบัติถูกต้องแล้วว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอัตตาและนิรัตตาหรือทั้งอัตตังและนิรัตตังแปลเป็นไทยง่ายๆว่า ไม่มีทั้งอัตตาแล้วไรอัตตาหรือไม่มีทั้งตัวแล้วไรตัวสำหรับสองคำนี้พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐเป็นอัตตาและนิรัตตังบ้างเป็นอัตตังและนิรัตตังบ้างแต่ฉบับอื่นๆเท่าที่พบเป็นอัตตาและนิรัตตาทั้งนั้นคำพีมหานิเทศอธิบายว่า อัตตาหรืออัตตังว่าได้แก่อัตตาทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนหรือสัจสตาทิฏฐิคือความเห็นว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปและนิรตาหรือนิรตังว่าได้แก่อุเฉททิฏฐิคือความเห็นว่าตัวตนขาดศูนย์ อีกย่าหนึ่งอธิบายอัตตาหรืออัตตังว่าได้แก่สิ่งที่ถือไว้หรือสิ่งที่ยึดถือและนิรัตตาหรือนิรัตังว่าได้แก่สิ่งที่จะต้องลักหรือปล่อยถือเอาใจความว่าพระอรหันต์ท่านผู้ปฏิบัติถูกต้องหรือท่านผู้มีปัญญาเข้าใจถูกต้องแล้วยอมไม่มีทั้งความยึดถือตัวตน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 ผู้นั้นก็มีสิ่งที่จะยึดถือไว้พระอระหันต์ล่วงพ้นการยึดถือและการปล่อยละไปแล้วความเข้าใจในพุทธพจน์และอาธิบายข้างต้นนี้จะช่วยให้เข้าใจความหมายของหลักอนัตตาครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นธรรมดาว่า ผู้ทุชนย่อมมีความยึดถือในตัวตนอย่างเหนียวแน่นอย่างหยับๆยาบก็ถือเอารูปคือร่างกายเป็นตัวตนเมื่อคิดลึกซึ้งลงไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวตนไม่ได้เพราะมีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ชัดๆตรงๆก็เลื่อนไปยึดเอาจิตหรือคุณสมบัติบางอย่างของจิตเช่นความรู้สึกความจาปัญญาการรับรู้เป็นตน้นว่าเป็นตัวตน ถ้าใช้ศัพทางธรรมะก็ว่ายึดเอาขันใดขันหนึ่งเป็นอัตตาบางทีก็ยึดถือรวมๆคลุมๆทั้งกายและใจคือขันห้าทั้งหมดว่าเป็นตัวตนบางคิดยาบยนลึกซึ้งต่อไปอีกว่าทั้งกายและใจหรือขันหมดทั้งห้าเป็นตัวตนไม่ได้แต่มีตัวตนอยู่ต่างหากเป็นอัตตา หรืออัตมนตัวแท้ตัวจริงเป็นแก่นเป็นแกนของชีวิตตอนอยู่ภายในขันห้าหรืออยู่นอกเหนือจากขันห้าแต่เป็นตัวครอบครองควบคุมอยู่อีกชั้นหนึ่งเจ้าลัทธิและกราชญเจ้าปัญญาผู้สามารถทั้งหลายพากันคิดค้นเรื่องตัวตนนี้โดยโยงเข้ากับการค้นหาสภาวะแท้ที่มีอยู่จริงในขั้นสุดท้ายหรือตัวสัจธรรม หรือบรมธรรมบางท่านก็ประกาศว่าตนได้เข้าถึงสภาวะที่แท้จริงนั้นแล้วอันเป็นตัวแท้ตัวจริงเป็นอัตตาหรืออัตมันสูงสุดอย่างที่บัญญัติเรียกว่าปรมามันบ้างพรห ม, มันบ้างพระผู้เป็นเจ้าบ้างต้องยอมรับว่าเจ้าลัทธิและนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นเจ้าความคิดอย่างสูง มีความรู้ความสามารถมากอย่างที่ท่านเรียกว่าเป็นสมณพราหมณ์ผู้ประเสริฐเป็นเจ้าทฤษฎีชั้นพรมและสภาวะที่ท่านหล่อนนั้นกล่าวถึงก็ประณีตลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ตราบใดที่สภาวะนั้นยังมีความเป็นตัวตนติดอยู่หรือยังเป็นเรื่องของตัวตนก็พึงทราบว่ายัางไม่ใช่สภาวะที่จริงแท้ไม่ใช่ปรมัตถธรรม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 โดยความยึดติดในภาพเก่าที่ผิดพลาดนั้นการที่สมณพราหมณ์ผู้ประเสริฐหรือเจ้าลทัทธิชั้นพรมจำนวนมากไม่สามารถรู้แจ้งแทงตลอดถึงสภาวะแท้จริงขั้นสุดท้ายก็เพราะว่าแม้ว่าสมณพราหมณ์หรือเจ้าลทัทธิเจ้าทฤษฎีเหล่านั้นจะรู้ตัดแล้วว่าตัวตนระดับกายใจชนิดที่เคยยึดถือมาก่อน ไม่ใช่เป็นสภาวะที่จริงแท้และไม่ยอมรับแม้กระทั่งขันห้าแต่ท่านเหล่านั้นก็ยังนำเอาเครื่องรางตาตัวเองสองอย่างของปุถุชนติดตัวไปด้วยตลอดเวลาในการค้นหาสภาวะที่แท้จริงขั้นสุดท้ายกล่าวคือ 1. บัญญัติหรือคอนเซ็ปต์แห่งอัตตา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 ทำให้มีสิ่งกั้นบ้างเกิดความพร่ามัวหรือบิดเบือนและทำให้สภาวะที่เขาเข้าใจไม่ใช่สภาวะจริงแท้นั่นเองที่ล้วนๆบริสุทธิ์ 2. ความยึดติดถือมัน่นคืออุปาทานซึ่งเขามีมาแต่เดิมตั้งแต่ยึดติดในอัตตายอย่างหยับๆขั้นต้นซึ่งเป็นความหลงผิดอยู่แล้ว เขาก็ยังพาเอาความยึดติดนี้ไปด้วยและนำไปใช้ในการสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสภาวะที่จริงแท้ความยึดติดในภาพตัวตนนี้จึงกลายเป็นเครื่องชุดรั้งเขาไว้ให้มิอาจเข้าถึงสภาวะที่จริงแท้นั้นได้ถ้าพูดอย่างสั้นๆก็คือสมณพราหมณ์หรือเจ้าทฤษสีเหล่านั้นยังไม่หลุดพ้นนั่นเองยังไม่หลุดพ้นจากบัญญัต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 แม้แต่จะพิจารณาในระดับสังคตาธรรมคือสังขารเมื่อพิจารณาตามแนวพุทธธรรมดังได้บรรยายมาแล้วข้างต้นว่าอัตตาหรือตัวตนเป็นสิ่งสมมุติสภาวะที่แท้จริงย่อมเป็นสิ่งตรงข้ามกับสมมุติเป็นคนละเรื่องคนละด้านกันอัตตามีสำหรับสิ่งสมมุติเมื่อพ้นจากสมมุติ จึงจะเข้าถึงสภาวะจริงแท้สภาวะจริงแท้ก็คือไม่เป็นอัตตาพูดง่ายๆอย่างชาวบ้านว่าของจริงต้องไม่เป็นอัตตาถ้ายังเป็นอัตตาก็ไม่ใช่ของจริงหรือพูดอีกสำนวนหนึ่งว่าพอพ้นสมมุติอัตตก็หมดพอเลิกยึดอัตตก็หาย ตการสำคัญของความหลงผิดก็คือบัญญัติหรือภาพของอัตตากับความยึดติดถือมัน่นหรือความยึดถือในเมื่ออัตตาหรือตัวตนไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงของสมมุติมันจึงเป็นเพียงสิ่งที่ถูกยึดถือเอาไว้ฉะนั้นในสุตตานิบาต ท, ที่อ้างข้างตน้นคำว่าอัตตาหรืออัตตังจึงแปลได้สองอย่างคือแปลว่าตัวตน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 เมื่อเลิกจับเลิกยึดได้แล้วก็จบเรื่องไม่ต้องไปจับไปยึดอะไรอีกเมื่อไม่มีสิ่งที่ยึดถือเอาไว้ก็ไม่มีสิ่งที่จะต้องละต้องปล่อยเหมือนดังพุทธพจน์ที่ว่านาติอัตตากุโตนิรัตตังวาสิ่งที่ยึดถือไว้ก็ไม่มีแล้วสิ่งที่ต้องปล่อยละจะมีมาแต่ที่ไหน พึงสังเกตด้วยว่าถ้าจะพูดกันให้ถูกต้องจริงๆแล้วแม้แต่คำว่าความยึดถืออัตตาก็ใช้ไม่ได้ต้องพูดว่าความยึดถือในภาพของอัตตาหรือยึดถือบัญญัติแห่งอัตตาและอัตตาเป็นเพียงสิ่งสมมุติไม่มีอยู่จริงในเมื่ออัตตาไม่มีอยู่จริงก็เพียงไม่ยึดถือว่ามีอัตตา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 ก็เสร็จเรื่องกันจากนั้นก็เข้าถึงสิ่งที่มีจริงหรือสภาวะจริงแท้คืออสังขตาธรรมซึ่งไม่ต้องพูดถึงอัตตาอีกต่อไปผลร้ายที่สำคัญอย่างหนึ่งของการยึดติดในอัตตาหรือยึดถือบัญญัติแห่งอัตตาก็คือผู้ยึดถือจะโยงอัตตานี้ เข้ากับความหมายว่าเป็นตัวแกนหรือตัวการที่มีอานาจบังคับบัญชาบันดานให้เป็นไปต่างเมื่อความคิดในเรื่องอัตตนี้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปจนถึงสภาวะขั้นสุดท้าย mm. ก็จะสร้างความคิดให้มีอัตตาหรืออัตมันใหญ่อันเป็นสากลที่เป็นผู้สร้างผู้บรรดาทุกสิ่งทุกอย่าง จินตนาการให้มีพระผู้สร้างเข้ามาซ้อนแทรกแซงกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยโดยไม่จำเป็นที่ว่าไม่จำเป็นก็เพราะสภาวะธรรมทั้งหลายก็มีอยู่ได้เองกระบวนาธรรมะก็สัมพันธ์กันเกิดความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอยู่เองโดยไม่ต้องมีผู้สร้างผู้บัรดาลถ้าจะว่าต้องมีผู้สร้างก่อนเป็นเบื้องแรก จึงจะมีสิ่งทั้งหลายได้จึงต้องมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างสภาวะธรรมถ้าเช่นนั้นก็ให้สภาวะธรรมทั้งหลายนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนเป็นเบื้องแรกแทนพระเจ้าเสียเลยเพราะสภาวะธรรมก็ปรุงแต่งกันตามเหตุปัจจัยเรียกอย่างง่ายๆว่าสร้างกันและการเองได้อยู่แล้วจะได้ตัดปัญหาไม่ต้องไปวุ่นวายตอบคําถามย้อนต่อไปอีกว่า อะไรมีอยู่ก่อนแล้วพระเจ้าจึงมีขึ้นได้หรือว่าใครสร้างพระเจ้าคือใครให้กำเนิดพระเจ้าหรือว่าพระเจ้ามาจากไหนถ้าจะว่าการที่สภาวะธรรมทั้งหลายหรือกระบวนธรรมะ ต, ต่างๆจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ต้องมีผู้บันดาลให้เป็นไปคือมีพระเจ้าอยู่เบื้องหลัง ข้อนี้ก็เกินจําเป็นและไม่สมจริงอีกเพราะถ้ามีพระเจ้าเป็นผู้บันดาลจริงก็จะกลายว่ามีระบบซ้อนกันอยู่สองชั้นคือพระเจ้าชั้นหนึ่งกับกระบวนธรรมะอีกชั้นหนึ่งกระบวนธรรมะจะเป็นไปอย่างไรก็ต้องรอการบันดาลจากพระเจ้าแต่กระบวนธรรมะจะเป็นไปตามการบันดาลของพระเจ้าก็ไม่สะดวก เพราะมันจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยภายในระบบของมันเองอยู่แล้วคือองค์ประกอบต่างๆเกิดขึ้นก็สัมพันธ์เป็นปัจจัยส่งต่อสืบทอดแก่กันในกระบวนรธรรมะการบันดาลของพระเจ้าเลยจะกลายเป็นการแทรกแซงขัดขวางและขัดแย้งกับความเป็นไปของกระบวนรธรรมะซสมากกว่ายิ่งกว่านั้นถ้าพระเจ้าบันดาล พระเจ้ามีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ก็จะให้สภาวะธรรมเป็นไปตามพระประสงค์เดี๋ยวก็จะให้เป็นไปอย่างโน้นเดี๋ยวก็จะให้เป็นไปอย่างนี้กระบวนธรรมะก็ยิ่งไม่มีทางเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็จะยิ่งปั่นป่วนวุ่นวายมากแต่ความจริงก็ไม่เป็นเช่นนั้นกระบวนธรรมะก็คงเป็นไปของมันตามเหตุปัจจัย ถ้าจะว่าที่กระบวนธรรมะเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นก็เพราะเป็นกฎและพระเจ้าเป็นผู้สร้างหรือวางกฎนั้นไว้ถ้าเช่นนั้นกฎก็จะต้องไม่แน่นอนอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็ได้ไม่อาจวางใจได้เพราะมีผู้วางกฎและผู้วางกฎก็ยังอยู่ตัางหากจากกฎอีกทั้งมีความประสงค์ของตนที่เปลี่ยนแปลงได้เพิ่มลดดัดแปลงได้ แต่ตามความเป็นจริงกฎก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในทางกลับกันตามความเป็นจริงนั้นก็ไม่จำเป็นและไม่อาจจะมีผู้สร้างกฎด้วยซ้าเพราะสภาวธรรมทั้งหลายจะต้องเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งและมันก็ได้เป็นมาอย่างที่มันเป็นอยู่นี้คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยที่มันก็เป็นเช่นนั้นเองคือตาตา เพราะมันไม่เป็นและไม่อาจจะเป็นไปอย่างอื่นคืออวิตฐาตากฎเป็นเพียงบัญญัติหรือคอนเซปต์ซึ่งเกิดจากการที่สภาวะธรรมทั้งหลายมันเป็นไปอย่างนั้นต่างหากอันหนึ่งการไม่มีพระเจ้าผู้สร้างผู้บรรดาลและการที่กระบวนธรรมะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองนั้น ยังตัดปัญหาไปได้อีกอย่างหนึ่งคือสภาวะแท้จริงขั้นสุดท้ายหรืออสังคตาธรรมก็มีอยู่ตามสภาวะของมันโดยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเป็นผู้สร้างผู้บรรดาสิ่งต่างๆไม่ต้องมาแทรกแซงขัดขวางหรือขัดแย้งกับกระบวนรธรรมะฝ่ายสังคตะในแง่นี้จะเห็นว่านิพพานไม่มีทางเป็นพระเจ้าหรือกอดได้เลยไม่ว่าจะบางท่านจะพยายามเพียงใดก็ตาม ที่จะเทียบให้เป็นอย่างเดียวกันนอกจากจะยอมปรับความหมายของ God เสียใหม่ที่จริงคำว่าพระเจ้าและคำว่า God ต่างก็จัดอยู่ในจำพวกคำที่มีขอบเขตความหมายไม่ลงตัวคำว่าพระเจ้านั้นแต่เดิมเป็นคำที่ชาวพุทธใช้เรียกพระพุทธเจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็เป็นคำเรียกพระภิกษุ ต่อมาเมื่อชาวคริสใช้คำนั้นเรียกเทพสูงสุดของตนแล้วชาวพุทธก็ปล่อยจนลืมความหมายที่ตนเคยใช้เดิมคำว่ากอศชาวคริสใช้เรียกเทพสูงสุดที่ตนนับถือว่าเป็นผู้สร้างโลกมีลักษณะเป็นตัวบุคคลแต่นักปรัชญาบางคนแปรขยายความหมายของกอศออกไปเป็นสภาวะนามธรรมซึ่งไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับการสร้างโลก นักปราชญาคริสต์สมัยใหม่บางท่านก็อธิบายความหมายของก็อดใหม่อย่างเป็นนามธรรมไม่เป็นตัวบุคคลแต่สถาบันศาสนาคริสต์ไม่ยอมรับเมื่อพยายามเปรียบเทียบก็อดกับนิพพานก็ตระหนักดีถึงความแตกต่างในแง่ที่นิพพานไม่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์บัรดาลโลก เมื่อว่าโดยสามัญวิสัยย่อมเป็นธรรมดาที่มนุษย์ทั่วไปจะต้องคิดว่ามีตัวตนมีพระผู้สร้างผู้บันดาลโลกและชีวิตเพราะตามที่มองเห็นด้วยสายตาการที่อะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นไปอย่างไรก็ต้องมีผู้สร้างหรือผู้ทำส่วนการที่จะมองเห็นเหตุปัจจัยซึ่งเป็นไปอยู่เบื้องหลังภาพของผู้สร้างผู้ทำนั้นเป็นเรื่องลึกซึ้งเห็นได้ยากดังนั้น ในสมัยโบราณแม้แต่ฟ้าร้องลมพัดน้ำท่วมแผ่นดินไหวก็จึงเข้าใจกันไปว่ามีเทวดาประจำอยู่เป็นผู้ทมทั้งนั้นด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สมณพราหมณ์ผู้ประเสริฐหรือเจ้าลัทธิชั้นพรมจะพากันมาติดอยู่ในความคิดเรื่องอัตตาหรืออัตมันและพระผู้สร้างผู้บรนดานท่านผู้ใดมีปัญญามาก ก็ทาความคิดในเรื่องนี้ให้ละเอียดซับซ้อนกว้างขวางมากแต่โดยสาระก็พากันมาวนเวียนติดอยู่ที่จุดเดียวกันนี้การที่พระพุทธเจ้าซึ่งก็น่าจะติดอยู่ในวงความคิดนั้นแล้วขยายบัญญัติให้ละเอียดประนีตยิ่งขึ้นไปแต่กลับทรงค้นพบความเป็นอนัตตาหลุดพ้นจากความยึดถือตัวตนมาทรงแสดงให้เห็นว่า ระบวนธรรมะเป็นไปตามเหตุปัจจัยได้อย่างไรโดยไม่ต้องมีผู้สร้างผู้บันดาลและอสังคตาธรรมซึ่งเป็นสภาวะแท้จริงสูงสุดมีอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นอัตตาไม่ต้องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์บันดาลอย่างไรข้อนี้จึงนับเป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่และสําคัญยิ่งแห่งวิวัฒนาการทางปัญญาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เป็นการถอนตัวหลุดพ้นจากหลุมดักอันใหญ่โตแสนลึกที่มหาชนพากันมาตกติดอยู่นักปราชญ์ยิ่งใหญ่ในอดีตก่อนหน้านั้นแม้จะเข้าใจถึงหลักอนิจจตาและทุกขตาแต่ก็มาติดอยู่ในความคิดเรื่องอัตตาความเป็นอนัตตาจึงเป็นภาวะที่เห็นได้ยากมากพระพุทธเจ้า เมื่อจะทรงอธิบายความเป็นอนัตตาก็มักต้องทรงแสดงโดยใช้อนิจจาลักษณะและทุกขลักษณะเป็นเครื่องช่วยชีย้นาข้อที่ว่าอนัตตาเห็นได้ยากจนต้องใช้อนิจจตาและทุกขาตาเป็นเครื่องช่วยอธิบายก็ดีการค้นพบอนัตตาเป็นความก้าวหน้าสำคัญของปัญญาและไม่ปรากฏก่อน หรือนอกพระพุทธศาสนาก็ดีเป็นเรื่องที่พระอัฏถกถาจารย์ก็ได้ตระหนักอยู่แล้วดังจะยกคํากล่าวของท่านมาแสดงไว้ดังต่อไปนี้แท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงอนัตตลักษณะยอมแสดงด้วยความไม่เที่ยงบ้างด้วยความเป็นทุกข์บ้างด้วยทั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์บ้าง ในข้อที่ว่านั้นพระองค์ทรงสแสดงอนัตตลักษณะด้วยความไม่เที่ยงในพระสูตรนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวว่าจักขุตลอดถึงกายและใจเป็นอัตตาคำกล่าวของผู้นั้นไม่สมเพราะว่าจักขุตลอดถึงกายและใจยอมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อม ผู้มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปปรากฏนั้นก็จะต้องลงเนื้อความว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวว่าจักขุ่ตลอดถึงกายและใจเป็นอัตตานั้นจึงไม่สมจักขุตลอดถึงกายและใจย่อมเป็นอนัตตาชะนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะด้วยความเป็นทุกข์ในพระสูตรนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาก็้ารูปนี้จักได้เป็นอนัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือมีความบีบคั้นขัดข้องหรือทุกข์และใครๆก็พึงได้ตามปรารถนาในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้ แต่เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือทุกข์และจึงไม่ได้ตามปรารถนาในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนาตานะัตตลักษณะด้วยทั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ในพระสูตรทั้งหลายเช่นที่ว่า ภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเหตุไรจึงทรงแสดงอย่างนี้ เพราะความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์เป็นสภาพปรากฏจริงทีเดียวคือมองเห็นได้ง่ายเมื่อถ้วยชามขันหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งตกจากมือแตกจนทั้งหลายย่อมกล่าวว่าโอ้อนิจจังอย่างนี้ความไม่เที่ยงจึงชื่อว่าเป็นของปรากฏเมื่อฝีและตุ่มเป็นต้นเกิดขึ้นตามร่างกาย หรือถูกตอถูกน้ำเป็นต้นทิมตำชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่าโอยทุกนะอย่างนี้ทุกจึงชื่อว่าเป็นของปรากฏส่วนอนัตตลักษณะไม่ปรากฏคือไม่กระจางแจ้งเข้าใจตลอดได้ยากแสดงได้ยากบัญญัติได้ยากอันนี้จะลักษณะ และทุกขลักษณะ น, นั้นพระธรรคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามก็ย่อมปรากฏแต่อ น, ะตะะนัตตลักษณะย่อมไม่ปรากฏนอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นจะปรากฏก็แต่ในอุบัติการของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจริงอยู่ท่านดาบทและปริภาชกทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก ดังเช่นสารพังคศาสดาเป็นต้นย่อมสามารถกล่าวว่าอนิจจังทุกครั้งได้แต่ไม่สามารถที่จะกล่าวว่าอนัตตาแม้หากว่าท่านสารพังค์ขสัสดาเป็นต้นเหล่านั้นจะพึงสามารถกล่าวว่าอนัตตาแก่บริษัทที่ประชุมกันได้แล้วบริษัทที่มาประชุมกันก็คงจะมีการบรรลุมากผลได้ แท้จริงการบัญญัติอนัตตลนะักษณะคือยกขึ้นมาวางให้ดูมีใจวิสัยของใครๆอื่นหากเป็นวิสัยของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นอนัตตลักษณะนี้เป็นของไม่ปรากฏโดยนัยดังกล่าวชะนี้